17อิทธิบาท4ตรงที่เราสนุกที่ได้ทําอะไรสักอย่างที่ดีๆเรียกว่าฉันทะเมื่อฉันทะเกิดวิริยะก็จะเกิดเองมันสนุกที่ได้ดูกายดูใจหรือสนุกที่ได้ดูจิตทํางานนะมันจะขยันดูจิตใจก็จะคอยจดจ่อไม่วอกแวกไปที่อื่นจะคอยเรียนรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆ เ, เรียกว่าจิตตะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทําอะไรแล้วใจจะเคล้าอยู่แต่ธรรมะ คิดถึงแต่ธรรมะอะไรอย่างนี้อยากฟังซีดีนึกก็นึกถึงแต่หัวข้อธรรมคเคล้าเคลีย์ให้ไปเที่ยวที่อื่นไม่อยากไปคอยใคร่ครวญอยู่ในธรรมะเรียกว่าวิมังสาวิริยะจิตตะวิมังสามันเริ่มมาจากฉันท้าตัวเดียวนี่แหละตัวอื่นมันจะตามมาฉะนั้นถ้ามีอิทธิบาท4ใจเคา้าอยู่กับธรรมะเรื่อยๆเห็นแต่ธรรมะทั้งวันนะรู้กายรู้ใจกายกับใจทํางานไปเรื่อย ใจเขาเคลียร์ตามรู้ตามดูเรื่อยๆผลสำเร็จก็เกิดขึ้นคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นอิทธิบาทเป็นธรรมที่สำคัญมากนะ